ก่นก็ได้พูดให้เห็นถึงความสำคัญของสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หรือสมองกับหัวใจอ่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนทุกวันนี้นะคิดเก่งนะใช้เหตุใช้ผลแต่ตรองรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้หมดนะ หรือรู้เยอะแต่ว่าจิตใจไม่มีกําลังพอที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะกับกลับทำทั้งทั้งที่ก็เห็นโทษของมันเพราะว่าจิตใจนะไม่มีกําลังนะที่จะหักห้ามก็เลยพ่ายแพ้ต่อ กิเลสนะภัยแพ้ต่อความอยากหรือว่าภัแพ้ต่อความใฝ่ต่ำาการที่เราจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์สมองกับหัวใจนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงการรู้จักอดทนนะความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ ไม่พายแพ้ต่อกิเลสง่ายๆหรือว่าการรู้จักคอยนะมันมีความอยากอย่างไรนะก็ไม่ยอมที่จ ะ, ะคลอยตามมันง่ายๆความรู้จักคอยนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนเหมือนกันคือขันติขันติเกิดขึ้นได้จากการที่เราฝึกทำในสิ่งที่แม้จะไม่ชอบนะ แต่ว่ามันมีประโยชน์ก็ทำซ้ำๆใหม่ๆก็ฝืนใจนะต้องฝืนใจทำแต่ทำไปทาไปมันกลายเป็นเรื่องง่ายดายนอกจากคันติแล้วนะยังมีสิ่งตัวอื่นนะที่จะช่วยให้เราสามารถมีพลังในจิตใจจิตใจเรามีความเข้มแข็งนะไม่ไพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือความไฝ่ต่ำได้ง่ายๆ หรือไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจนชักนำชีวิตของเราไปในทางที่เป็นโทษสวนทางกับความรู้ถูกรู้ผิดสิ่งนั้นคือสติขันติกับสติมันคู่กันหรือว่าเอื้อเฟอืเฟอ้อเกอื้อกูลกันเมื่อมีขันติมีความรูอยากอดทนนะก้าต่อสู้ ขัดคืนนะกับกิเลสหรืออารมณ์ที่มาครอบงำก็ทำให้เกิดสติขึ้นมาได้ขณะเดีวยวกันสตินั่นแหละนะถ้าหากว่ามีกำลังก็จะช่วยทำให้ความอดทนอดกลั้นมันเป็นไปได้แล้วก็สามารถทำให้ชนะกิเลสชนะความไฟต่ำได้ในที่สุดบ่อยครั้งนะสิ่งที่ สิ่งดีๆที่เราอยากจะทำนะเป็นประจำเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือว่าการศึกษาหาความรู้สิ่งนี้เป็นล้วนแต่เพียงสิ่งที่ดีนะและควรทำต่อเนื่องทำเป็นประจำแต่ว่าตั้งใจแล้วว่าจะทำสุดท้ายก็ทำไม่ได้นะก็เพราะว่า การที่ไม่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นตั้งใจว่าจะออกกำลังกายนะทุกเช้าหรือว่าทุกเย็นแต่ว่าพอเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือว่าเปิดโทรทัศน์มีละครมีรายการที่สนใจ ความอยากมันก็หรือความเพลินมันก็ครอบงมจิตจนบางทีลืมไปเลยนะว่าเออเราต้องได้เวลาทําสมาธิได้เวลาออกกำลังกายแล้วหรือว่าถึงแม้ไม่ลืมนะก็หาข้ออ้างว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะให้ดูจบซะก่อน บางคนติด Facebook ติด Line, แล้วก็เพลินนะกับการแชทการโพสการเม้นจนลืมไปลืมไปว่าตอนนี้ได้เวลานะที่เราอาจจะต้องทำสมาธิออกกำลังกายหรือว่าศึกษาความรู้แล้วอันนี้เราไม่มีสตินะก็คือว่าไม่รู้ทันความอยากหรืออารมณ์ที่มันครอบงำ ก็เลยเพลินหรือว่าหลงไปกับมันสติคือความระลึกได้ถ้าเรามีสติที่มีกําลังเนี่ยว่องไวเราก็จะลึกได้เราลึกได้ว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาที่ต้องออกกําลังกายได้เวลาที่ต้อง เ, อรงเองอจริญสติแล้วหรือว่าได้เวลาทําสมาธิแล้วเด็กๆเกนี่ยนะไม่มี ขาดตรงนี้มากนะเด็กกำลังทำกันบ้านเสร็จ แ, แล้วพอไดอ้เสียงเพื่อนเรียกไปเที่ยวไปเล่นหรือว่าโทรศัพท์มาก็ลืมไปเลยนะพ่ายแพย้ต่อความอยากมันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวที่ก็เป็นความความความโกรธก็ได้จะทำสมาธิแต่ว่า ก่อนหน้าัไปเปิด Facebook มีเพื่อนมาคอมเมนต์เราก็โกรธมีเพื่อนมาพูดเขียนข้อความไม่ค่อยดีหรือบางทีไม่เกี่ยวกับเราเลยนะแต่เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับการเมืองนะของฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยก็โกรธนะไม่พอใจก็เข้าไปลวมต่อว่านะมีการโต้อตอบกันความโกรธความโมโห ก็ทําให้ลืมไปเลยนะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะต้องทําทสมาธิได้เวลาแล้วที่เราต้องทอําทําการบ้านหรือว่าทํารายงานหรือว่าเตรียมตัวซึ่งตั้งใจไว้ทําเป็นประจําเตรียมตัวในเรื่องการศึกษาหาความรู้อันนี้ก็เรียกว่าถูกความโกรธมันครอบงํามไม่มีสติปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำจิตใจ แล้วมันก็จะอ้างหาเหตุผลนะพอมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหรือมีความอยากความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะมันก็จะอ้างหาเหตุผลสารพัดนะคนที่ติดเหล้านี่จะรู้ดีนะแม้ว่าตั้งใจว่าจะเลิกเหล้านะแต่พอมีเพื่อนชวนเนี่ยมันก็จะมีข้ออ้างว่าเออเพื่อนชวนเราปฏิเสธมันน่าน่าเกลียดเดี๋ยวก็จะไม่คบเรามีหาเหตุผลหรืออจะบอกว่าเนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะ ครั้งสุดท้ายแล้วเสร็แล้วก็ไม่เคยมีครั้งสุดท้ายสักทีเพราะว่ากิเลสมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเว ล, ลาปล่อยให้กิเลสครอบงาแล้วมันก็สามารถจะสรรหาเหตุผลปรุงแต่งเหตุผลเพื่อมาเป็นข้ออ้างให้เราเลิกในสิ่งที่ควรทำหรือกลับกระโจนเข้าไปหาในสิ่งที่ไม่ควรทำแั้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนอกจากจะถูกอารมณ์ ที่เป็นความฝ่ายต่ำครอบงำแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้สมองของเราเนี่ยมันถูกเหตุอถูกอารมณ์หรือว่าถูกกิเลสเน่ปลุกปัน่นจนมีข้ออ้างต่างๆที่ประหลาดประหลาดแล้วเราก็หลงเชื่อข้ออ้างนั้นด้ว ย, วยนะอย่างที่เร า, ม า, าเมื่อวาน่าคนที่ติดเหล้าเลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้แล้วก็กลุ่มใจ เพรกุ้มใจนะมันก็อ้างเหตุผลเลยว่าเออเรากลุ่มนะงั้นไปกินเหล้าดีกว่าทั้งที่ตั้งใจจะเลิกเหล้านะแต่พอเลิกไม่ได้มันก็หาเรื่องทีเดียวนะเอาความกุ่มที่เลิกเหล้าไม่ได้นี่ะมาเป็นเหตุให้หรือเป็นข้ออ้างให้กินเหล้าต่อไอตัวกิเลส ต, ตัวนี้มันฉลาดมากเลยนะมันสามารถจะสันทาเหตุผลนาน า, นานชนิดให้เราหลงเชื่อได้เพื่อทําตามความต้องการของมัน ถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ย ส, สิ่งดีๆหรือความตั้งใจดีๆที่เราอยากจะทำมันก็ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นอันได้ทำไอ้สิ่งแย่ๆที่เราอยากจะเลี่ยงก็เลี่ยงมนไม่ได้แล้วเราก็มาเสียใจภายหลัง ว, ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทาไมถึงทาไม่ได้ทาไมถึงยอมแพ้ตีนะ อ, อกชกโกรธหัวตัวเอง ตั้งใจว่าจะทำใหม่ทําให้ดีเสร็จ แ, แล้วก็ทําไม่ได้อีกไปไปมาก็เลยเกลียดตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะเผลอเผลอร้ายตัวเองหนักฆ่าตัวตายก็มีเพอรู้สึกว่าอยู่ไปก็มีแต่นะสร้างปัญหาให้คนอื่นถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ลืมตัวได้ง่ายนะลืมตัว เพราะถูกอารมณ์ครอบงำไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นความอยากความโกรธความเศร้าเสียใจสติแปลว่าความระลึกได้นะถ้าเรามีสติเราก็จะระลึกได้ไวความระลึกได้ไวนี้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าความจํนะแต่ถ้าเราความจําไม่ดีนะเราก็ลืมโน่นลืมนี่ แตลืมอะไรนะก็ไม่ร้ายเท่ากับลืมตัวนะลืมอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับลืมตัวเร า, า จ, จะลืมโทรศัพท์เร า, า จ, จะลืมกระเป๋าเงินอาจจะลืมกุญแจรถนะแต่นั้นก็ยังไม่ก่อไม่ก่อความเสียหายได้มากเท่ากับลืมตัวตคนบางคนนี่ติดเหล้านะพอติดเหล้ามากกินเหล้าไปก็ลืมตัว อาละวาดเมาไม้ด้วยความเมาไม้ก็สร้างปัญหาขับรถชนคนอื่นตายบ้างหรือว่าตัวเองนี่แหละขับรถชนสาวไฟฟ้าตายบ้างนี่เพราะลืมตัวบางคนก็หลงนะหัวเมาในหวยในการพนันทั้งที่รู้แล้วนะว่าการพนันไม่ดีหวยไม่ดีแต่ก็ลุ่มหลง นะเจอคนมาชวนเจอคนมามาชักชวนให้ร่วมวงก็เผลอลืมตัวจนเป็นหนี้เป็นศินเป็นหนี้เป็นศินแล้วก็อยากแก้ตัวไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาเล่นหวังว่าถ้าเล่นแล้วจะได้กําไรพอที่จ ะ, ะทดแทนชดเชยไอ้ส่วนที่เสียไปเราก็เสียหนักเข้าให้ความลุ่มหลงลืมตัวเพราะอยากเอาชนะ ก, ก็ดี หรือเพราะว่าเพลินใ น, ใ น, ในการพนันก็ดีนะก็ทําให้เป็นนี่เป็นสินหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งบางทีครอบครัวนะถึงกับไปไม่รอดหรือว่าแตกแยกกันงั้ถ้าเป็นคนขี้ลืมโน่ลืมนี่ก็ยังดีกว่านะลืมตัวจนกระทั่งหมกมุ่นอยู่ในอบายามุกลืมตัวเพราะความโกรธ ก็สามารถทำเป็นเหตุให้ฆ่าคนที่ตัวเองรักได้มีข่าวคราวมากมายนะสามีฆ่าภรรยาผู้ชายฆ่าแฟนสาวเพราะความกโกรธนะเพราะความหึงหวงบางทีผู้หญิงก็ฆ่าผู้ชายนะเพราะความหึงหวงลืมตัวนะทะเลาะกันแล้วเขาพูดจาดูถูกมีผู้ชายคนหนึ่งนะ ถูกแฟนสาวทิ้งก็เลยต้องอยู่กับลูกลูกก็ยังเล็กตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วก็ไปขอคืนดีกับแฟนสาวคือแต่ว่าเกิดการทะเลาะเบาแวงกันทะเลาะไปทะเลาะมาผู้ชายโกรธขณะที่ผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตามเข้าไปแล้วก็เอามีดจ้วงแทง ไม่ยั้งเลยทีแรกจะไปขอคืนดีแต่สุดท้ายกลับไปฆ่าเขาเพราะอะเาลืมตัวอันนี้ ว, ว่าความโกรธมันครอบงำจิตใจถ้าถามเขาว่าทำอย่างนี้ดีไหมเขาคงรู้ว่าเขาตอบว่าไม่ดีแต่มันห้ามใจไม่ได้ตอนนั้นมันลูกแกโทสะความเศร้าเสียใจก็เหมือนกันนะถ้ามันครอบงำและไม่มีสติเนี่ย ก็ถูกความเศร้าโสนนี้เล่นงานแหวนเพชรหายส่้อยหายเงินถูกโกงไปไม่เป็นนันทำอะไรนั่งเจ้าจุกซึมเศร้านะกินก็ไม่กินนอนก็นอนไม่หลับเอาแต่คุ้นคิดสิ่งสิ่งนั้นนะร่างกายก็พ่ายพร้อมจิตใจก็แย่ๆจนกระทั่งป่วยหนักอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะก็คือไปหลงนะ ไปหลงเศร้าโศกเสียใจไปนึกถึงแต่สิ่งที่เสียไปทั้งๆ ท, ที่เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเสร็จ แ, แล้วก็กลายเป็นการทำร้ายตัวเองบางทีก็ลืมลืมตัวเพราะว่ามันจมอยู่ในความคิดไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะที่ชักพาเราให้ทาในสิ่งที่แย่บางทีให้ความคิดที่เราหมกมุ่นอยู่กับมัน พอหมอมุ่นกับมันจนลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นแม่ลูกอ่อนวันหนึ่งก็ขับรถไปจะไปช้อปปิ้งนะจะไปซื้อของเพราะว่าจะมีการเลี้ยงวันเกิดให้กับสามีแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงไม่อยู่ ก็เยต้องเอาลูกเล็กเนี่ยขึ้นรถไปด้วยพอไปถึงพอไปถึงชอปปิ้งมอลล์ก็ล้ายเดอมอลล์ของบ้านเราเนี่ยมันมีลานจอดรถกว้างๆนะพอไปถึงเขาก็รีบลงรถเลยเพราะว่าในใจเนี่ยคิดแต่เรื่องการวางแผนว่าจะซื้ออะไรบ้างจัดปรุงอาหารอะไรเพื่อที่จ ะ, ะฉลองวันเกิดเพราะชวนแขกมาเยอะต้องซื้อน่นซื้อนี่สารพัดเลย ใ, ใจก็คิดแต่เรื่องนี้ พอถึงที่จอดรถก็จอดแล้วแล้วก็รีบลงไปเพราะวาเวลามีน้อยบอกว่าลืมลูกลืมลูกไว้ที่บนเบาะรถข้างหลังหายไปเป็นเวลาสองสามชั่วโมงพอกลับมาที่รถเห็นลูกนี่ตกใจเลยเพราะว่าลูกนี่อยู่ในรถที่ตากแดด ใน้านจอดรถ2น่สงามชั่วโมงลูกก็อยยุแค่ขวบ2ขวบบอกกว่าลูกตายนะลูกตายเพราะถึงรถไวอา่พาพึงลูกไว้ในรถโดนแดดเผาจนตายอันนี้เียว่าเป็นเพราะลืมตัวนะตอนที่ขับรถใจม ก, ก็คิดแต่เรื่องการจัดปราร์ตี้ว่าจะซื้อของอะไรบ้างจะทำเมนูอาหารอะไรบ้างพอถึงศูนย์การค้าก็ ไม่สนใจองอนนะมุ่งหน้าไปที่ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวอันนี้เรวาจมอยู่ในความคิดนะพอจมอยู่ในความคิดแล้วมันก็ลืมตัวได้นะและพอลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมลูกซึ่งเป็นอ่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะันในชีวิตของตัวแบบนี้เจอมาเยอะแล้วนะพอลืมตัวแล้วก็ลืมลูกทิ้งไว้บางทีลืมลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็ ถูกทิ้งไว้ในรถตู้บ้านเรานี่ก็มีเยอะเด็กถูกทิ้งไว้ในรถแล้วรถก็ตากแดดด้วยจน แ, แล้วก็มานึกได้อีกทีก็เด็กก็ตายแล้วนั้นลืงตัวเนี่ยมันน่ากลัวมากมันสามารถทียกับปัญหาหรือว่าความเสียหายยังไม่มีประมาณได้ดีขนาดแค่ลืมตัวโดยคนคนเดียวนะถ้าลืมกัเป็นกลุ่มนี่หนักเข้าไปใหญ่ การมีสตินี่มันจะช่วยทําให้เราเรู้ตัวมีความระลึกได้ไม่ถูกอารมณ์ครอบงําได้ง่ายๆหรือว่าถูกอารมณ์หรือว่าแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ปล่อยให้มันลุกลามจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวไปกับมันสติมันทำให้เรารู้ทันความคิดความคิดที่เผลอคิดไปนะเพราะมีอะไรมากระตุ้นก็นแล้วแต่บางทีก็ไปนึกถึงอดีตบ้าง ด้วยความเสียใจอะไรหรือว่าพอไปนึกถึงอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เกิดความกังวลพอกังวลแล้วก็เลยไม่เป็นอันทําอะไรเลยนอนแผลล่ลาเพราะว่าท้อแท้นึกถึงอนาคตนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตายแน่ๆหมดกําลังเลยนักศึกษาที่พอนึกถึง รายงานมากมาที่ยังไม่ได้ส่งแค่ดึกนี่ก็หมดแรงแล้วเลยไม่ได้ทําเลยสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นมากับการเรียนของตัวแต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ใจนี้ไปจมอยู่กับอดีตเรื่องอนาคตจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันจะจะมีสมาธิกับงานที่ทําไม่บกแวก เวลามีอารมณ์ครอบงมเช่นความอยากก็ดีความโปรดก็ดีความเศร้าเสียใจพอมันเกิดปุ๊บนี่รู้สามารถที่จะสลัดมันออกไปจากใจหรือว่าวางมันลงได้าการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีการสำคัญนะสติเนี่ย เ, เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้เรา สามารถทำสิ่งที่ดีที่มุ่งมากปรารถนาในชีวิตได้ทำให้จิตของเรามีพลังที่จะไม่แพ้นะต่อกิเลสหรือว่าความฝ่ายต่ำได้แต่ว่าสติเนี่ยที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอที่จะรับมือกับอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นเราจากภายนอกไม่ว่าความโกรธเกลียด หรือว่าความอยากคือตันหาไอโธโลภโทสามหัสมัยนี้มันเยอะมากเพราะว่ามีสิ่งกระตุ้นเราเยอะถ้ามีสติเข้าโลภโทสามหัก็ครอบงำแล้วก็พาเราเสียผู้เสียคนเราเสียไม่พอพาครอบครัวพาคนรักจมหายไปกับเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้อง เจริญสติหรือสร้างสติขึ้นมาเพื่อช่วยด้วยการเจริญสติจึงเป็นสิ่งสำคัญการทำสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่สำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจกรรมฐานแบบพุทธก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่เรียกสั้นๆว่าเจริญสติการเจริญสติอย่างที่ปฏิบัติที่นี่เนี่ย มันก็มีเอเรียบทหลักอยู่2 อ, อย่างก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้เราเป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่ามันมีมีส่วนเสริมมีวิธีการอื่นที่เสริมเข้ามามากมายโดยเพราะการเจริญสติในชีวิตประจาวันไม่ว่าเรากินข้าวไม่ว่าเราอาบน้ำถูฟันล้างจานซักเสือ้อแล้วก็สามารถใช้กิจกรรมเหล่านั้น เ, นเป็นการเจริญสติได้ ก็คือว่าทำอะไรใจก็อยู่กับสินนั้นนะเราสังเกตไหมเวลาเราล้างใจเวลาเรากินข้าวเนี่ยใจเราอยู่ไห น, นปากเรากินปากเราเคี้ยวแต่ใจนะไปเสพอารมณ์อื่นบางคนปากเคี้ยวแต่ใจนี่นะไปอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าเป็นการเสพความคิดมากกว่าเสพอาหารเวลาน้ำเวลาล้างหน้าใจเราไปอยู่ไหน การเจริญสติมันก็ไม่ยากอะไรนะหลักการง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นเวลาทําอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เราเป็นการเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่ว่าก็ต้องอาศัยการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวเสริมโดยเผา้คนที่สติยังไม่ยังไม่มีกําลังการยกมือสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมนะที่นี่เราไม่มีการ บริกรรมไม่มีการจะไม่ได้เรื่องการบังคับจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าให้จิตเนี่ยอันนี้ให้จิตเนี่ยมันเป็นอิสระมันสามารถที่จะฟุ้งปรุงแต่งได้แต่ข้อสําคัญคือว่าให้มีให้มีให้รู้ทันมันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีรู้ว่ามันฟุ้งนะดีใจก็รู้ว่ามันดีใจ เสียใจก็รู้ว่ามันเสียใจคือจิตเนี่ยสามารถจะมีสละที่จะทำตามธรรมชาติของมันแต่หน้าที่ของเราก็คือให้มีให้รู้ทันมันให้การที่รู้ทันนั่นแหละถ้าเรารู้รู้ทันได้บ่อยๆก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นพอรู้ทันได้ไวขึ้นนี่เรียกว่าสติมีกำลังจิตเนี่ยมันชอบท่องเที่ยวนะ วิธีที่จะที่จะทให้จิตเนี่ยมันอยู่กับที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายวิธีวิธีที่หลายคนคิดถึงก็คือการบังคับจิตให้มันอยู่กับที่อันนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากการเลี้ยงหมานะเราต้องอยากจะให้หมาลูกหมาของเราเนี่ยมันอยู่กับบ้านไม่อยากให้มันไปท่องเที่ยวที่ไหนแต่มันก็ชอบเที่ยวอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปโดนหมาข้างนอกกัดบ้างหรือบางทีมันก็ไปเอาเอา เอาเห็บเอาหมัดกลับมาบ้างบางทีก็คนแล้ว ก, กลัวมันจะโดนคนลักเอาไปเราอยากให้มันอยู่กับบ้านเราจะทําอย่างไรให้มันอยู่กับบ้านวิธีที่หลายคนนึกถึงคือการล่ามันเอาไว้ล่ามันด้วยโซ่ด้วยเชือกก็แล้วแต่แต่วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลชั่วคราวคือพอปล่อยเมื่อไหร่มันก็หนีไปอีกนะหรือว่าถ้าเชือกขาดโซ่ขาดมันก็ไป แล้วข้อเสียคือว่าถ้าล่ามันไว้นานๆมันก็จะหงุดหงิดนะหงุดหงิดง่ายและกลายเป็นหมาที่ดุอย่างโดยเฉาหมาแบบพวกรัดไวเลอร์นี่ถ้าไปล่ามันหรือไปขังมันไว้มันจะดุมากเพราะมันมันหงุดหงิดมันอารมณ์เสียจิตเราถ้าล่ามันเอาไว้นะด้วยการบังคับด้วยการไปเพ่งมันมันก็จะจะเครียดนะแล้วก็ จะงดหมิดได้ง่ายๆมันวิธีนึงในการที่จะเลี้ยงหมาให้เชื่องนะก็คือไม่ต้องล่า ม, มันนะแต่ให้มันสามารถที่จะวิ่งเล่นไปนะมาไหนได้แต่หน้าที่ของเราซึ่งเป็นเจ้าของก็คือว่าคอยดูมันแล้วคอยเรียกมันกลับมาเอาใจใสนะ่พอมันจะออกจากบ้านเราก็เรียกมันเรียกชื่อมันแต่บางทีเราเผลอไปนะ มันก็วิ่งไปไกลแล้วพอเรารู้เอ้าเราก็เรียกมันใหม่ๆนี่มันกว่าจะเรียกมันกลับมานี่นานแต่พอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเรียกมันบ่อยๆเรียกงมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาไวเข้าไวเข้าเพราะว่ามันมันเริ่มเริ่มรู้หน้าที่ตอนหลังนี่มันรู้ของมันเองนะเราไม่ต้องเรียกมันนะ มันรูกของมันเองพอมันวิ่งออกจากบ้านไปแทบประเดี๋ยวเดียวมันรู้แล้วอ่ะมันก็กลับมาตอนหลังนี่ไม่ทันจะก้าวจากบ้านเลยมันก็รู้แล้วอันนี้เลยว่ามันเชื่องแล้วะมันเชื่องมันรู้มันรู้ที่ทางของมันเราไม่ต้องไปเสียเวลาคอยไปเรียกมันมันลูกของมันเองแล้วเราก็ไม่เป็ต้องไปล่ามันเอาไว้แล้วมันก็ไม่ชอบด้วยจิตเราก็เหมือนกันแต่มันไม่ชอบให้ มันไม่ชอบการบังคับมันไม่ชอบการไปเพ่งหรือถูกบังคับให้เพ่งมันจะขัดขือมันจะต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองใช้วิธีการเจริญสติแบบที่ทํากันที่นี่นะก็คือว่าอันนี้ให้จิตเนี่ยมันไปของมันตามธรรมชาติหน้าที่ของเราคือว่าเรียกมันหรือว่ารู้ทันมันใหม่ๆเนี่ยในเจริญสติหือว่าสร้างจังหวะไป ไปเป็นนาทีเลยนะลืมตัวไปเป็นนาทีเลยถึงจะรู้ความคิดนี่มันพาเรายาวเลยนะบางทีคิดหลายเรื่องเดือนคิดห้าเรื่องสิบ เ, เรื่องกว่าจะรู้ว่าเผลอคิดไปแต่พอเราจเจริญสติแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ทันได้ไหวและวิธีนี้ไม่เหนื่อยดนะ้เพราะว่าถ้าเราไปบังคับมันไปเพ่งมันไปบังคับจิตให้ไปสั่งให้จิตเพ่งเนี่ยเราจะเหนื่อยแาะจิตมันก็ไม่ยอมสักที การจราเสตียท audience, ี่นี่ก็เลยไม่มีบริกรรมไม่มีบริกรรมไม่มีคํ systems, พา พ, คพูดเพื่อที่จะผูกจิตเอาไว้ไม่มีการผูกจิตไว้กับคําพูดน่ยบริกรรมนี่ก็เป็นคําพูดเพื่อที่จะผูกจิตเอาไว้กับสิ่งนั้นนะแล้วก็ไม่เน้นแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปเพ่งเพ่งที่มือก็ตามเพ่งที่เท้าก็ตามเพราะมันทําได้ไม่ไนานแต่ว่าจะให้รู้สึกนะให้รู้สึก ให้รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเท้ากำลังเคลื่อนไหวจะรู้สึกได้เนี่ยจิตมันต้องอยู่กันเนื้อกับตัวนะจิตต้องอยู่กันเนื้อกับตัวจึงจะรู้สึกได้ถ้าจิตใจจิตลอยไปอดีตบ้างหลายไปอนาคตบ้างจมไปในอารมบ้างมันจะไม่รู้สึกเลยว่ามือกาลังยกไม่รู้สึกเลยว่ากาลังเดินได้ซ้ําอันนี้เราไม่รู้ตัวแต่พอจิตก็มาอยู่กันเนื้อกับตัวนะ มันก็จะรู้สึกได้แต่ในในเวลาเดียวกันพอเราขยับไปขยับขยับมือขยับเท้าเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นเองเนี่ยก็สามารถที่จะเตือนจิตให้กลับมามีสติไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์หรือความคิดคนปเป็นวัยใหม่เนี่ยสติยังยังอ่อนอยู่เนี่ยคิดไปหลายเรื่องหลายราวสักพักก็รู้สึกว่าเออมือมันเคลื่อนไหวนะเท้ากำลังเดินนะพอรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสติมาเลย แล้วก็รู้ว่าเผอไปแล้วอากลับมาเลยกลับม า, ลยลบมาอยู่กันเนกับตัวให้การยกมือให้รู้แล้วก็รู้สึกว่ายกมือหรือว่าเดินแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเดินนี่มันสามารถจะเป็นตัวเตือนจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กันเนกับตัวได้พอจิตกลับมาอยู่กันเนกับตัวก็นเนกินเนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะความระลึกได้กับความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันถึงคู่กัน คำ ว, ว่าสติกับสัพชัญญาเนี่ยก็เลยเป็นคำที่เราใช้เรียกคู่กันแต่บางทีเราก็เรียกสติเฉยเฉนะแต่ในความหมายของสติที่เราพูดกันเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงสัพชัญญาคือความรู้ตัวหรือบางทีเราใช้ว่าสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวอันนั้นก็หมายถึงมีสติสัพพัญญะไม่เปลี่ยนมาใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่ารู้ตัวรู้สึกตัวเป็นยังไง ความรู้สึกตัวเป็นยังไงกูนะบาอาจารย์ก็บอกว่ายกมือก็ให้รู้สึกเดินก็ให้รู้สึกนะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะถ้าให้เพ่งนี่ยังง่ายกว่านะเพ่งนี่หรือว่าไปกาหนดจิตที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะดูง่ายกว่าพอไม่มีอะไรให้เพง่งไม่มีอะไรให้กำหนดนะมันก็จะรู้สึกว่าเคว้งคว้างคง่องคลายกับคนคนที่ เดินข้ามคูด้วยไม้แผ่นเดียวเนี่ยในสวนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีมันก็จะมีท้องร่องนะแล้วก็จะมีไม้ให้เดินข้ามแต่มันไม่มีราวอะ่ะนะบางทีมันเป็นลำไผ่แค่ลำเดียวแล้วก็ไม่มีลาวด้วยให้เกาะถ้ามีราวให้เกาะ น, นี่เราก็จะรู้สึกมั่นใจเราก็จะเดินข้ามท้องร่องได้สบายแต่พอไม่มีราวเนี่ย เราจะเดินยังไงเดินไปก็รู้สึกว่าทรงตัวลําบากเดินไม่ได้สัก2องามก้าวก็ตกลงไปในท่องล่องในการปฏิบัติไอการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนีความรู้สึกใหม่ๆที่ปฏิบัติคล้ายๆกันเลยนะก็คือว่าพอไม่มีคําบริกรรมให้เกาะหรือว่าไม่มีการให้ไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งเนี่ยที่ร่างกายที่เท้าที่ลมหายใจมันจะรู้สึกว่าเดินข้ามท้องล่องโดยที่ไม่มีราวเกาะ หลายคนก็จะไม่ชอบนะเพราะว่ามันก็จะเพ้อจะพลังอยู่เรื่อยๆฟุ้งอยู่เรื่อยน ะ, จะเจริญสติยกมือไปสักพักเดี๋ยวฟุ้งเบรกแล้วเพราะไม่มีการเพ่งไม่มีการบริกรรมแต่ว่าคนที่เดินท้องเดินข้ามท้องรองอยู่เป็นประจำเนี่ยเขจะรู้ดีนะว่าพอเดินไปเดินไปไปบ่อยๆเนี่ยไม่มีราวก็ไม่เป็นไรเลยเขาก็จะรู้จกักทรงตัวให้สามารถจะเดินนะบน บนไม้บนลําไม้ไผ่ได้ไม่ยากการจวนสติแบบนี้ก็เหมือนกันนะถึงแม้ไม่มีคําบริกรรมไม่มีไม่ให้ไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่าทําไปสักพักจิตมันก็จะรู้ว่าจะทรงตัวให้พอดีพอ ด, พอดีให้สมดุลได้อย่างไรคือไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอเพ่งนี่ก็ผิดนะเผลอนี่ก็ไม่ใช่ มันเป็นสุดตรงสองทางนะแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆไม่เพ่งไม่เผลอมันก็เหมือนการขี่จั ก, กรยานก็ว่าได้นะคนที่ขี่จั ก, กรยานใหม่ๆจะทรงตัวให้สมดุลเนี่ยมันทรงตัวยากมากขี่ยังไงก็ล้มถ้าไม่ล้มไปทางซ้ายก็ล้มไปทางขวานะก็คือถ้าเป็นการเจริญสด็จ ค, คือไม่เผลอก็เพ่ง แต่คนขี่จักรายานก็รู้ดีพอขี่ไปเบื่อๆขี่ไปบ่อๆไปไปมันก็จะรู้ว่าจะส่งตัวอย่างไรให้พอดีพอดีให้สมดุล<ม>พอส่งตัวให้พอดีพอสมดุลได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ล้ม ง, ง่ายๆนะบางทีไม่ต้องเกาะแฮนด์ก็ยังสามารถที่จะขับไปได้แต่ใหม่ๆนี่เกาะแฮนด์เกาะเกาะแฮนด์นี่แน่นเลยนะตัวเกรงไปหมดพอเกรงก็ล้มแต่ถ้าตัวย้วยก็ล้ม ทำงถึงจะทรงใจพอดีพอดีทรงตัวพอดีพอดีการจรลนสติก็เหมือนกันนะถ้าเกรงมากไปคือเพลงก็ก็ไม่ถูกถ้าเผลอปล่อยใจลอยไปก็ไม่ใช่ต้องทรงทรงจิตทรงใจพอดีพอดีพอดีแค่ไหนตอบไม่ได้นะเราเป็นเราจะแนะนําคนที่กี่จักรยานใหม่ๆว่าทรงตัวพอดีพอดีเราก็พูดได้แค่นั้นนะ่ะพูดมากไปกานั้นก็อธิบายไม่ถูก แต่ว่ามันรู้เองคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นใหม่ๆก็ยังไงไว่ายงไงก็จมก็ไม่รู้ว่าจะทรงตัวยังไงน้ำมันถึงจะลอยครูสอนว่ายน้ำก็บอกได้ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ละเอียดเพราะความ น, นี้มันต้องรู้เองทำเองถึงรู้แล้วพอทำไปเรื่อยๆก็จะรู้ออกทรงตัวยังไงมันถึงจะลอยไม่จมสามารถจะว่ายน้ำไปได้ให้การจรลสติก็เหมือนกันนะก็พูดได้เพียงแค่ กว้างๆว่าให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ถาว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงตอบยากแต่ว่าพอทําไปทําไปเนี่ยมันก็จะรู้อย่างเ้เรียกว่ารู้สึกตัวจะรู้วิธีการสรงใจให้มันพอดีพอดีไม่เผลอก็ไม่เพ่งต้องอาศัยการปฏิบัติเรียนรู้จากการปฏิบัติมันเรียนรู้ด้วยใจนะเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ใช่เรียนรู้ด้วยสมองไม่ใช่เรียนรู้จากการอ่าน อ่านตำราไหว้น้ำยังไงก็ไหว้น้ำไม่เป็นอ่านตำราขี่จักรยาน ย, ยังไงก็ขี่ไม่เป็นจนกว่าจะลองทําฟังยังไงก็ไม่รู้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดแต่เป็นเรื่องของการสัมผัสหรือประสบด้วยตัวเองก็คือรู้ด้วยใจรู้จักประสบการณ์อันนี้แหละถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เรามีสติรวดเร็วฉับไว มีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บแล้วถ้าเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจก็รู้ทันแล้วก็วางจะทําอะไรก็ตามจิตใจก็จะแม้จะวอกแวกแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะทำให้เคว้ไปได้ตั้งใจจะทําอะไรก็สามารถจะทําสิ่งนั้นได้แม้ว่าจะมีอะไรมาขัดจังหวะที่ทําให้อาจจะเคว้ไปบ้างแต่แล้วก็รู้ทันแล้วก็วางไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความอยากความกลัวความเศร้าเสียใจก็มไม่สามารถจะทําให้เราอ่า เลิกหรือว่ายุติสิ่งที่เราตั้งใจจะทำความดีที่เราตั้งใจจะทำหรือว่าแม้จะมีอะไรที่จะยั่วยุให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็รู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าหามันหันหลังให้กับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะทําสิ่งดีๆที่ตั้งใจไว้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ต้องใจจะเลีเ่ยงก็สามารถจะหันหลังให้กับมันได้ไม่จะ ถ้ามีสติคู่ ก, กับคันติเนี่ยจะช่วยมากในในการทำให้จิตเรามีพลังแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องตามที่เหตุผลหรือปัญญาบอกได้ช้านี้ก็พูดกันเท่า น, นี้